ช่วงเช้าทํางานด้วยจิตใสใจเบารู้สึกชื่นชากับโลกภายนอกแต่ชื่นชมกับโลกภายในเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าทํางานตามหน้าที่เป็นอย่างไรแต่พอทานเข้าเที่ยงเริ่มหนักท้องเข้าหน่อยพายุ ค, ความฟุ้งก็เริ่มก่อตัวกลายเป็นคนธรรมดาเดินดินสินท่ากับเรื่องแฟนอีกรอบจิตใจหนักอึ้งอยากโทรหาเธอจนทรมานในอก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 บางครั้งก็ขมวดแน่นเป็นก้อนอย่างที่เขาเรียกกันว่าจุก อ, อกบางครั้งก็คลายอาการเสียดแต่เหมือนยังมีอะไรเสียบคาอยู่ฉันตั้งสติกำหนดตามดูแล้วเห็นแต่ความแปรปรวนของทุกขเวทนาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาไม่เห็นอาการดับเสียทีจนต้องขมวดคิ้วคิดว่าเปลี่ยนวิธีดูจะดีหรือไม่ ขนาดนั้นเองสติส่วนหนึ่งก็บอกว่าขณะนี้กำลังตรึกนึกเห็นอาการตรึกนึกตั้งอยู่อาการตรึกนึกทำให้มีแรงเค้นขึ้นหน่อยๆในหัวคล้ายกล้ามเนื้อบางส่วนถูกบีบให้แน่นขึ้นเล็กน้อยพอฉันรู้สึกลักษณะบีบนั้นเข้าก็เกิดอาการคลายลงตรงที่คลายลงนั่นเองคืออาการเห็นอาการตรึกนึกดับไป เมื่อเห็นความตรึกนึกดับไปนั้นสิ่งที่ติดตามมาคือความเบาโล่งหัวอกสติบอกทันทีว่าขณะนี้กำลังเป็นสุขเห็นสุขเขเวทนาเกิดขึ้นแต่ความเบาโล่งหัวอกนั้นตั้งอยู่ไม่นานก็เลื่อนไปสติเสียศูนย์เพราะคลื่นความฟุ้งซ่านเข้าแทรกแซงกลายเป็นความเมื่อไปพอรู้ตัวว่าเหมื่อก็อึดอัดเพราะไม่รู้จะเรียกสติ กลับมาดูอะไรตรงไหนดีก็นึกถึงราวกาะถามตัวเองว่ากำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าเห็นว่ากำลังหายใจอ่อนก็รู้ว่าหายใจอ่อนฉันรู้สึกสับสนนิดหนึ่งนั่งเอามือเท้าค้างคิดอีกว่าขณะนี้กำลังสติอ่อนอยู่การนำมารู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจตรงๆจะเหมาะแน่หรือไม่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 ที่สายตาและประสาทสัมผัสว่องไวจับรู้เท่าทันวัตถุในเกมกีฬาได้โดยไม่ต้องตั้งใจมากกับทั้งนึกถึงสูตรอุ ป, ปมาขันห้าของพระพุทธองค์ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาคือเมื่อเดือนสุดท้ายแห่งฤ ด, ดูร้อนอยังอยู่พยับแดดยอมเต้นระยิบระยับในเวลาเที่ยงผู้มีดวงตาทั้งหลายพึงเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยคาย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 ไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจได้พักหนึ่งจิตก็จะทรงสติว่องไวมีความเห็นแจ่มชัดและสงบตัวลงเองตามธรรมชาติสามารถนำมาทำสมาธิมาตรฐานเช่นอาณาปานาสติต่อได้อย่างดีวันที่สามของเดือนฉันก็กลับมาเป็นคนมีสติคมชัดเหมือนเดิมด้วยความภาคเพียรไม่ลดละมีกาลังใจอย่างเอกอุขึ้นอีกครั้ง